บุ๊ก <Book> 2 44, 44. 2> ไปเที่ยวกลางคืนววชรที่นี่มีดิสโกเทคไหมที่นี่มีไนท์คลับไหม Тут є ยนิชช์นีคลับที่นี่มีผับไหมท н ตเยป์ว์นเยนีที่โรงละครมีอะไร що с ь о г о д н і в вечері в театрі เยนีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร що сьогодні в นนีเวเ в, в кіно เย็นนีที่โทรทัศน์มีอะไรดูชั่ววันนี้เย็ีนาจะได้ดูทีียังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมคะยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมคะยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะ ดิฉันต้องการนั่งข้างหลังดิฉันต้องการนั่งตรงกลางดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Я хотів би сидіти ่ п е р е д у คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมาการแสดงเริ่มเมื่อไหร่คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไห ม, ม, มแถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม กกแถวนี้มีสนามเทนนิสไหม Т ยวนี้มีสระว่ายน้ำในรไแถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม